เทศอบรมเมื่อวันที่เจ็ดมิถุนายนพศสองพนห้าหณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนส่วนจะถูกหรือผิดอย่างใรนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงไกรกรองตามหลักแห่งเหตุผล ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าคือหลักแห่งเหตุผลถ้ามื่อเหตุกับผลถูกต้องกันแล้วทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วถึงทราบว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและชั่วได้อย่างสมบูรณ์และเป็นหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าได้ด้วยองค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้า ในการที่พระองค์เจ้าจะทรงได้เสด็จออกจากหอปราสาทจ ะ, สะแสวงหาโมฆะธรรมในเบื้องตน้นก็ปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้พิจารณาถึงหลักธรรมทั้งๆ ท, ที่ไม่มีใครหรือพระพุทธเจ้าองค์ใดามาประกาศสอนพระองค์เจ้าไว้ว่าสภาวะทั้งหลายเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ในคืนที่พระองค์เจ้าจะทรงเสด็จออกพนวดคนทั้งหลายพร้อมทั้งบริศัทธ์บริวารซึ่งอยู่ในพระราชวังของพระองค์เจ้าปรากฏว่าเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับพระองค์ท่านแต่ในคืนวันนั้นหลักธรรมชาติแห่งธรรมะได้ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์เจ้าว่าทั้งในพระราชวัง คือในบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายด้วยทั้งนอกพระรา ช, ชวังตลอดทั่วทั้งใจโลกกระธาดด้วยปรากฏว่าเป็นป่าช้าผีดิบไปทั่วทั้งดินแดนหาที่จะตรงจิตตรงใจพึ่งพิงอิงอาศัยในบุคคลหรือสัตว์สักลายหนึ่งว่าไม่ใช่ป่าช้าผีดิบ ไม่มีเลยนี่คือหลักธรรมชาติแห่งธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ในสัตว์และบุคคลทั่วไปได้ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์เจ้าแม้ที่สุดองค์ของพระองค์เจ้าเองก็ปรากฏว่าเป็นปา่าช้าผีดิบอีกเช่นเดียวกันจึงเป็นเหตุให้พระองค์เจ้าทรงเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของโลกคือทั้งของเขาและของเรา ทั่วทั้งใจโรคธาตุนอกจากว่าเราจะแสวงหาความพ้นจากความเป็นเช่นนี้ไปเสียเท่านั้นเราก็คงจะไม่พ้นจากความเป็นเช่นเดียวกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์เจ้าได้ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักธรรมชาติแห่งธรรมซึ่งเคยประกาศดูตั้งแต่การไห น, ไหน ได้สะดุดในพระไถยของพระองค์เจ้าในขณะนั้นเป็นเหตุให้หลักธรรมชาติเหล่านั้นได้เตือนพระไถยของพระองค์เจ้าให้สแสวงหาทางพ้นจากทุกข์โดยไม่ต้องอําลาไข่ๆทั้งนั้นได้สเสด็จออกไปในเวลากลางคืนนี่แสดงให้เราพู้เหล่าทั้งหลายได้เห็นแล้วในตำราว่าหลักธรรมชาติคือธรรมะที่แท้จริงนั้น เป็นสภาพที่มีอยู่ทั่วไปในสัตว์และสังขารทั้งหลายพระองค์เจ้าได้ทรงออกผนวดก็เพราะหลักแห่งธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมะล้วนวนได้เตือนพระไถยของพระองค์แล้วเสด็จออกผนวดบามเพนพระองค์เป็นคนขอทามเหมือนอย่างธรรมดาชาวโลกสงสารทั้งหลาย ไม่ทำพระองค์เจ้าให้เป็นผู้มีคุณค่าหรือราคาว่าพระองค์เจ้าเป็นกษัตริย์เป็นต้นปรากฏพระองค์ว่าเป็นคนขอทานเป็นผ้าที่ลิ้วพื้นหนึ่งซึ่งไม่มีราคาอันใครๆเขาไม่ต้องการพระองค์เจ้าก็ทรงบาเพ็ญสมากิจได้รับความกระทบกระเทือนความทุกข์ยากลาบากแสนสาหัส เพราะกษัตริย์เสด็จออกนรระชาพระพุทธพระองค์เป็นคนขอทานเป็นคนอนาถาเป็นคนไม่มีคุณค่ามีราคาในพระองค์เจ้าในสมัยนั้นไม่ปรากฏว่าการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีไม่มีใครใคได้สั่งสอนไว้ว่าผลแห่งการให้ทานนั้นมีมากน้อยเท่าไรเป็นต้น จึงไม่มีใครๆที่จะต้องสนใจในพระองค์จะพยายามบำรุงบำเลอตามอุปถากรักษาพระองค์เจ้าให้ทรงได้รับความสุขในทางส่วนแห่งร่างกายนี่ความเป็นกษัตริย์ที่จะลดพระพิธิมานะลงถึงขนาดเป็นคนขอทานแล้วก็อยู่ด้วยความสุขสบายเพราะแห่งการลดพธิธิมานะอย่างนั้นเนื่องจากพระองค์เจ้าได้ทรงเห็น หลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติได้เตือนพระไถยของพระองค์แล้วบำเพ็ญพระองค์เจ้าให้เป็นไปในหลักแห่งธรรมที่เป็นธรรมชาติขอสรุปใจความว่าหกปีพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสรู้พระนุตระสัมมาสัมปธยัยนี่แสดงว่าพระองค์เจ้าได้เป็นโลกวบีทู รู้โลกทั้งเป็นโลกนอกทั้งเป็นโลกในกว้างแคบโดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันไดที่จะลี้ับในโลกกาตา น, นี้ว่าพระองค์เจ้าจะไม่สามารถอย่างทราบโดยพระญาณหรือโดยพระปัญญาแม้ที่สุดในพระทัยของพระองค์เจ้าที่มีอะไรเคลือบแฝงอยู่ หนึ่งเป็นชื่อนิยมว่าอาศวะก็ปรากฏว่าในศูนย์หายไปหมดจากพระไทยปรากฏในพระไทยขอาพระองค์เจ้าเช่นเดียวกับวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงสว่างจ้าขึ้นในพระไทยตรงกับเดือนหกเพ็ญที่เรียกวิสาขมาศ ธรรมมทั้งหมดที่พระองค์เจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นนั้นเป็นธรรมะในหลักธรรมชาติทั้งนั้นพระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือปฏิบัติตามหลักธรรมชาติพิจรณาในธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติซึ่งประกาศกังวานอยู่ทั่วทั้งภายนอกภายในตลอดถึงความรู้สึกซึ่งปรากฏเป็นอยู่ตลอดเวลาณภายในใจของพระองค์เจ้า ก็เป็นหลักธรรมที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งพระองค์เจ้าได้รู้แจ้ง <c oughs> เห็นกินทั่วถึงไปหมดทั้งภายในภายนอกนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติตั้งนั้นก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้ตรัสรู้ก็ปรากฏว่าไปอยู่ในที่สงบสงัดปราศจากความพุกพล่านด้วยฝูงชนและบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีกายอันเปียว จ, จิตใจก็วิเวกบางเบงความรู้สึกคือพระไทยของพระองค์เจ้าก็เด่นขึ้นในขณะนั้นตามธรรมดาความรู้ที่เราทั้งหลายเรียกว่าใจนี้จะมีความรู้อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เคยลดละแม้ขณะไหนๆเลยแต่พราะสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมมาปก มากระทบกระเทือนในทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายจึงเป็นสิ่งที่ปกปิดความรู้อ น, นั้นเป็นเหตุที่จะให้ความรู้นั้นซุ่มซ่อนอยู่ตามรูปเสียงกลิ่นรสนั้นไปเสียเึงไม่สามารถที่จะพิิพิจารณาในความรู้ของตนว่าหนักเบาไปในแง่ไหนส่วนดีหรือส่วนชั่ว แต่เมื่อได้รับความสังัดวิเวกเรียกมากาะวิเวกกิตก็ไม่ได้เกี่ยวข้องผัวพันกับสิ่งใดๆซึ่งเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแต่ก่อนความรู้ที่เป็นขึ้นในใจจะส่งกระแสใจไปในทางใดทางอดีต ท, ทางอนาคตก็ปรากฏรู้ขึ้นในปัจจุบันเสมอไปด้วยอำนาจแห่งพระสติที่พระองค์เจ้าทรงตั้งไว้แล้วด้วยดี ความรู้อันนี้ก็ปรากฏเด่นขึ้นโดยลำดับความรู้ที่เด่นขึ้นนี้จะเด่นขึ้นทางทางดีก็ทราบชัดจะเด่นขึ้นทางที่ชั่วก็ทราบชัดเมื่อจะเด่นขึ้นในทางไหนซึ่งเป็นแปในทางที่จะทำให้พระองค์เจ้าเสียหายหรือเป็นไปในทางให้มัวหมองภายในจิตใจพระองค์ก็พยายามชำระซักพอกจนความรู้นั้นค่อยกลายเป็นความรู้ที่ สดใสกลายเป็นความรู้ที่สะอาดเป็นลําดับเมื่อความรู้ที่สะอาดเป็นลําดับเท่าไรแล้วก็ยิ่งมีความเด่นยิ่งมีความเฉลียวฉลาดเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงสอนให้บําเพ็ญสมาธิคือความสงบแห่งใจเมื่อใจได้รับความสงบแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้เห็นเงาของตัวเองโดยทางปัญญา เหมือน ก, นกันกับน้ำที่มีความใสสะอาดสามารถที่จะมองเห็นสัตว์น้ำหรือสิ่งใดๆซึ่งมีอยู่ในน้ำนั้นทั้งหมดได้โดยชัดเจนเรื่องของสมาธิก็เป็นเช่านนั้นเหมือนกันเมื่อจิตยังไม่สงบเราจะพิจารณาอันใดก็ไม่ชัดเจนแม้จะพิจารณาให้เป็นทางปัญญา ก็กลายเป็นทางสัญญาไปเสียโดยมากสัญญานี้หมายถึงว่าสัญญาที่จะให้ก่อเหตุเป็นเรื่องสมมูทยายสั่งสมทิเลดขึ้นภายในใจเพราะเหตุแห่งความรู้ความเห็นที่มาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของตงนเองเมื่อใจได้รับความสงบแล้วเราจะพิจารณาไก่กรองอันใดก็เห็นชัดเช่นเดียวกับบุคคลที่กาลังวิ่ง จะมองดูต้นไม้ดูอะไรก็ตามในทั้งสองภาคทางย่อมมาเห็นชัดตอนเมื่อเราได้หยุดวิ่งเสียการใดเราจะมองดูสินใดก็เห็นชัดเรื่องของจิตที่ไม่มีความสงบจะพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายก็มาเห็นชัดเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังวิ่งตอนเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วจะพิจารณาสภาวธรรมเขาเห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังนิ่งมองดูอะไรก็เห็นชัดฉะนั้นนี่เรื่องของสมาธิพระองค์เจ้าก็ได้ทรงบําเพ็ญมาคำว่าสมาธินี้หมายถึงความสงบของใจหรือหมายถึงความแน่นหนามั่นคงของจิตเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจะปรากฏเป็นความสุขขึ้นมา ในขณะนั้นถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเมื่อความสุขได้ปรากฏเพราะเหตุแห่งความสงบแล้วเราก็มีช่องทางที่จะพิจะระนารณาในทางปัญญาคำว่าปัญญาหมายถึงความสอดส่องหรือหมายถึงความแยดภายออกจากใจอันเดียวกันสัญญาคือความจำ สัญญาคือ ค, อความขี้คลายในสิ่งที่ตนจดจาไว้นั้นเช่นเดียวกับเรามัดไม้หรืออะไรไว้จะเป็นหลายกิ่งหลายแขนก็าตามรวมกันไว้สัญญาเช่นเดียวกับตอกหรือลวดที่เรามัดไม้เป็นก ร, รมนั้นไว้ปัญญาเป็นผู้คี้คลายดูไม้ที่เรามัดไว้นั้นให้เห็นว่ามีกี่ชิ้นด้วยกัน และมีไม้อะไรด้วยชื่อว่าอะไรด้วยให้ได้เห็นความชัดเจนในไม้นั้นมี่ขอนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันเรื่องของปัญญาจริงเป็นธรรมชาติที่จะต้องที่คลายดูสภาวะธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเราทำาสมาธิทำใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นสมาธิบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เคยได้ทราบแล้วว่ามีหลายชั้น ทันิกะสมาธิหมายถึงจิตที่รวมลงเพียงขณะเดียวแล้วถอนขึ้นมาเสียอุปจารสมาธิคือสมาธิที่รวมสงบลงไปแล้วถอนออกมาเล็กน้อยแล้วรู้จิ่งต่างๆที่จะมาสัมผัสในทางจิตใจในขณะนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิ ส่วนอปปนาสมาธิหาถึงจิตที่อย่างลงแล้วมีความสงบอย่างเต็มที่และรวมอยู่ได้เป็นเวลานานๆคำว่าอปปนาสมาธินี้ก็มีการมีความกว้างขวางมา ก, กจิตรวมอยู่ได้นานด้วยจนมีความชํานิชํานาญต้องการเวลาใด ให้หยุดให้รวมเวลาในเวลาใดได้ตามความต้องการด้วยนี่เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่เราผู้ที่จะกําหนดพิจารณาในทางปัญญานั้นไม่จําเป็นจะต้องทําจิตทอ้งเราให้ถึงกับขั้นอัปปนาสมาธิแล้วจึงจะต้องพิจารณาในทางปัญญาเรื่องของสมาธิคือความสงบเจะสงบมากน้อยเท่าไหร่เพิงทราบว่าเป็นบาดแห่งวิปัสสนาคือปัญญาเป็นลําดับไปเพราะปัญญาก็มีหลายชั้น ชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดสมาธิในชั้นหยาบก็เป็นบาดฐานของวิปัสสนาชั้นหยาบได้ชั้นกลางชั้นละเอียดก็เป็นบาดฐานของปัญญาชั้นกลางชั้นละเอียดไปได้และในขณะเดียวกันถึงทราบว่าสมาธิกับปัญญานั้นแยกจากกันไม่ออกถ้าเราจะดําเนินในทางสมาธิโดยทายเดียว ไม่คำหนึง่งถึงเรื่องปัญญาเลยแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้เราติดสมาธิคือความสงบของตนเมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วต้องพิจารณาในทางปัญญาเช่นอย่างเราพิจารณาไตรไตรลักษณ์หรือเราพิจารณาธาตุขันธ์ของเราโดยทางไตรลักษณ์วันนี้ก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนาตตาวันหน้าเราก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนาตตา ไกลกองอยู่เช่นนี้ทุกวันทุกคืนไปคามชนานาญไม่ต้องว่าในเพียงขั้นสมาธิที่เราทําหลายครั้งชํานาญขึ้นมาเรื่องขวงปัญญาก็ต้องมีความคล่องแคล่วด้วยชานานเช่นเดียวกันกันกบทางสมาธิปัญญาในเบื้องต้นที่เราจะพิจารณาก็ต้องอาศัยการบังคับบัญชาพิจารณาอยู่บ้างไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาทีเดียว เบื้องต้นต้องอาศัยการบังคับบัญชาให้พิจารณาเมื่อจิตเราได้พิจารณาในทางใจรักคืออนิจจังทุกขังอาตาซึ่งเป็นของที่มีเต็มอยู่ภายในกายในจิตของเรานี้แล้วเราจะค่อยมีความคล่องแคล่วหรือมีความสว่างกระจางแจ้งในทางจิตใจทองเราโดยทางปัญญาเป็นลำดับไป ส่วนที่หยาบจะเป็นตรลักษ์ที่หยาบก็จะได้เห็นโดยทางปัญญาเป็นตรลักษณ์ที่ส่วนปานกลางก็จะได้เห็นในทางปัญญาตรลักษ์ที่ละเอียดก็จะเห็นในทางปัญญาคําว่าตรลักษณ์ที่หยาบที่กลางที่ละเอียดนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องการพิจารณาเช่นอย่างเราพิจารณาในส่วนร่างกายของเราจัดว่าเป็นตรลักษณ์ส่วนหยาบ พิจารณาในเวทนาสัญญาสังขารมินอยากจัดเป็นตรลลักษ์ส่วนกลางพิจารณาถึงเรื่องจิตซึ่งเป็นรากเงาแห่งมัตตจริงๆแล้วนั่นคือตรลักษ์ส่วนละเอียดที่สุดเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ตรลลักษ์ส่วนหยากตรลักษ์ส่วนกลาง ไตรลักษณ์ส่วนละเอียดที่สุดจนกระทั่งได้ผ่านพน้นไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ไปแล้วนั้นจึงจะหมดเขตแดนของไตรลักษณ์ธรรมชาติที่หมดเขตแดนของไตรลักษณ์แล้วนั้นจะเรียกว่าอัตราก็ตามจะเรียกว่าอนัต t a ก็ตามไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะอัตตากับอนัตตาเป็นเรื่องของสมุิซึ่งโลกทั้งหลายก็มีอยู่ด้วยกัน ธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สมมุติโลกทั้งหลายจึงเอื้อมถึงได้ยากในเมื่อมีอัตราและอัตาเป็นเครื่องเคลือบแปงอยู่ในสองฟาดทางองสมเด็ชพระภูมิพระภาคเจ้าได้พิจารณาในสภาวะทั้งหลายในใตรักส่วนญาส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดเห็นประจักษ์แจ่มแจ้งในพระไทยของพระองค์เจ้าแล้วการใดการ น, นั้นแลพระองค์เจ้าจึงได้เป่งพระวาจารของพระองค์เจ้า สังสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีเบญจบาขีเป็นต้นและจึงได้เตรียงอุทานในพระองค์เจ้าว่าเราทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ได้พ้นจากสังขารจักแล้วและได้ประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งหลายถ้าพระองค์เจ้ายังไม่ผ่านในอนัตตราในในในตรยลักษ์คืออณิจังทุกขังอนัตตาทั้งสามนี้ ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไปแล้วการใดพระองค์เจ้ายังจะเป็นศาสตาของโลกอย่างเต็มที่ไม่ได้ทีนี้เราบรรดาเราทั้งหลายซึ่งจะเป็นผู้หรือว่าเป็นครูสอนตนเป็นผู้ฝึกผลทรมานตนของเราเราก็ต้องดําเนินไปตามแนวทางที่พระองค์เจ้าทรงพิจารณาและทรงรู้เห็นไปโดยลาดับลาดับนี้คำว่าตใายรัก ทั้งสามด้วยคืออนิจจังทุกขังอาตาและไร้รับทั้งสามชั้นด้วยคือชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเึงทราบว่ามีอยู่ในตัวของเราในใจของเราทุกๆ ท, ท่านไม่มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวและสาวกของพระองค์ท่านเท่านั้นเพงทราบว่าเราทั้งหลายเวลานี้กำลังเป็นผู้เรียกว่าเป็นภาชนะที่สมบูรณ์อยู่แล้ว ที่จะสามารถคิดเรณาในสภาวะที่อธิบายมานี้ให้เห็ น, จนแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นในตัวของเราซึ่งเรียกว่าธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่ตั้งแต่วันเราเข้าสู่ปฏิสนธิมาเป็นลําดับจนกระทั่งถึงวันนี้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ได้ไปค้นหาที่ไหนธรรมทั้งหลายมีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ พระงค์เจ้าดพิจารณาตามหลักธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เห็นชัดแจ่มแจ่มแจ้งตามหลักแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในจนหายความสงสัยหรือข้องพระทยทุกๆุกชิ้นแล้วจึงได้ประกาศองค์ของพระองค์ว่าเป็นผู้ที่สิ้นแล้วจากสังสารจักคือความหมุนเย็นเปลี่ยนแปลงได้จากความเกิดแก่เก็บตายทั้งหลายเหล่านี้ เราซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระองค์เจ้าก็โปรดได้พิจารณาถึงสภาวธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของหลาและเราอย่าไปคำนึงมากเกินไปว่าเราไม่มีศีลจะบำเพ็ญสมาธิให้เป็นไปไม่ได้เราไม่มีสมาธิจะบำเพ็ญปัญญาให้เป็นไปไม่ได้อย่างนี้ เพิ่งทราบว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับหัวใจของท่านผู้ที่ต่างใจด้วยกันทุกๆ ท, ท่านศีลหมายถึงปกติความเป็นปกติของใจในปัจจุบันนั้นปรากฏเป็นศีลขึ้นมาแล้วความสงบของใจ ในขณะทีก่กำลังพิจารณาหรือภาวนาอยู่นั้นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วความที่เราพิจารณาตร่ตรองถึงหลักธรรมชาติคือตรารักที่มีอยู่ทั่วสรมพานร่างกายและจิตใจของเรานี้จะเป็นการใดสมัยใดก็าตามทึงทราบว่าปัญญาเริ่มปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราแล้ว เมื่อเราได้พยายามพิจารณาในธรรมทั้งสามประเภทคือศีลสมาธิปัญญาให้มีความติดต่อกันเป็นลำดับไปศีลกับสมาธิกับปัญญาจะเป็นธรรมที่มีกำลังกล้าอาจจะปรากฏขึ้นภายในใจของเราทั้งสามประเภทพร้อมๆกันคือศีลสมาธิปัญญา จะปรากฏขึ้นที่นี่เราอยากเข้าใจว่าเราเป็นหญิงไม่สามารถจะบำเพ็ญสมรรธรรมหรือคุณงามความดีมีมรรคผลนิพากษ์ที่เราต้องการว่าจะไม่เกิดขึ้นในตัวของเราถ้าเราคิดเช่นนั้นเป็นความคิดกิดสำนับเราองค์แห่งอริยสัจจะทำทั้งสี่ไม่ได้นิยมว่านี้คือหญิงนั่นคือชายมีอยู่ในสัจจะสังขาร บรรดาที่มีวิญญาณครองทั่วไปเมื่อผู้ใดมีปัญญาพิจารณาถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้เึิงทราบว่าผู้นั้นเองเป็นผู้กำลังก้าวหรือกำลังนำเนินที่จะเดินตามพระองค์เจ้าเป็นลำดับไปอริยสัจธรรมทั้งสีนงรรงส่นี้คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมร คำว่าทุกข์นี้เป็นชื่อแห่งธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นของที่ปรากฏอยู่ในกายและในใจของเราความไม่สบายกายก็ดีความไม่สบายภายในจิตใจก็ดีนี้ท่านเรียกว่าทุกข์ธรรมชาตินี้ท่านเรียกว่าเป็นอริยสัจคือเป็นของจริงอย่างกระเสริฐของจริงที่ไม่เอีย ง, ยงไปตามบุคคลผู้ใด ใครจะตำหนิธรรมชาติอันนี้ว่าดีก็าตามว่าชั่วกว็าตามธรรมชาติอันนี้ก็คือธรรมชาติอันนี้นั่นเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความตำหนิติชมของบุคคลหรือสัตว์ใดๆทางนั้นท่านจึงเรียกว่าของจริงเป็นของมีอยู่เหมือนกับเงาตามตัวของหลับแต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงามไม่ปรากฏส่วนเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่มีทุกขสัจเป็นต้น เราจะอยู่ในที่มืดก็าตามอยู่ในที่แจ้งก็าตามจะปรากฏในกายในใจของเราเสมอไปว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ทันเดียดว่าอริยสัจจะทำให้เราทั้งหลายได้กำหนดพิจรารณาเรื่องการพิจารณากองทุกข์นี้นั้นเราไม่ได้หมายว่าจะเอาทุกข์อันนี้มาเป็นสมบัติของเราแต่ถ้าเราไม่พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เรากม็มีอุบายปัญญาที่จะ รู้รอบขอบหรือหายสงสัยในทุกก็จะตึงความผัวพันภายในจิตใจหรือเป็นอารมณ์ภายจิตใจของเราว่าเราทั้งตัวนี้เป็นหรือว่าทุกทั้งหมดนี้เป็นตัวของเราการที่เราคิดนาทุกข์ให้มันเห็นชัดจนแจ่มแจ้งตามเป็นจริงแล้วคำว่าเรากับทุกนั้นจะแยกกันออกโดยที่เราไม่ต้องขาดหมายเอาไว้จะได้เห็นว่าทุกนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากเราผูู้้ และในขณะเดียวกันเราผู้รู้ในสุขก็ดีในทุกข์ก็ดีก็จะเห็นว่าเป็นสภาพอันหนึ่งจากสุขหรือทุกข์อันนั้นนี่การพิจารณาทุกข์มีความแยกข่ายหรือความรอบคอบอย่างนี้เป็นเหตุที่จะให้ปล่อยวางความกังวลในทุกข์หรือแยกความเป็นทุกข์นั้นออกจากตัวของเราได้โดยเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของจริงอันหนึ่งธรรมชาติที่รู้ว่าทุกข์คือใจนี้ก็เป็นของจริงอันหนึ่งจะไม่ได้มีความจับสนินเต ถือทุกนั้นมาเป็นเราถือเราว่าเป็นทุกแม้ทุกจะปรากฏขึ้นในทางกายเราก็เห็นว่าเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งนอกไปจากความรู้ของเราไม่ใช่เรายิ่งเข้าไปภายในคือทุกทางใจก็อีกเช่นเดียวกันเมื่อเราพิจารณาในทางปัญญาส่วนละเอียดแล้วทุกที่เป็นอยู่ภายในใจของเราก็จะค่อยหมดไปหมดไปวิริยาที่เราพิจารณาทุกอย่างนี้เรียกว่า เราได้ดําเนินมาไปในตัวแล้วเพราะการพิจารณาถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราจะอะไรมาพิจารณาเล่าการไก่กรองหรือพิจารณาทุกตั้งใจดูทุกกาหนดรู้ทุกตั้งสติดูทุกล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของมรคคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาทุกก็ดี การพิจารณาทุกข์ก็เป็นอเนยษัตร์อันหนึ่งเมื่อเราพิจารณาเห็นเรื่องของทุกขแล้วเป็นเหตุที่เราจะค้นดูว่าเหตุที่ให้เกิดทุกนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเช่นอย่างเราเสียใจยในขณะที่เราประสบสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอย่างนี้เกิดความเสียใจยขึ้นมาหรือมีใครมากระทบกระเทือนเรา โดยจริยามารยาทส่วนใดที่เราไม่ต้องการก็เกิดความเสียใจขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุให้เราได้พิจารณาถึงเรื่องตัวเหตุนี้ว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดจึงต้องได้รับความทุกข์นี่ก็เรียกว่าเราจะพยายามถอนสมูทยอยู่ในขณะเดียวกันนั้นแล้วเมื่อเราได้พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เรื่องสมูทยัยโดยมัก คือสมาธิกับปัญญาคำว่านิโรธะคือความจะเจียมแ่้งเป็นลำดับไปนั้นก็เป็นเงาตามตัวอีกเช่นเดียวกันแล้วพึงทราบว่าทกุก็มีหลายชั้นสมุทัยก็มีหลายชั้นมรรคก็มีหลายชั้นมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด น, นิโรธก็เป็นเช่นเดียวกันทุกส่วนหยาบดับไปแสดงว่านิโลธะส่วนส่วนหยาบได้เพิะ ได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาทุกส่วนกลางดับไปเพิงทราบว่านิโลธะส่วนกลางได้ปรากฏตัวขึ้นมาทุกส่วนละเอียดที่สุดได้ดับไปเพิงทราบว่านิโลธะได้ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่นิโลธะก็มีหลายชั้นให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่า ทุกสมุทัยนิโรธมากจะเป็นธรรมประเภทเดียวแยกกันไม่ออกจากความเป็นต่ำเป็นกลางเป็นละเอียดแยกกันได้อย่างนี้เราเริ่มพิจารณาเบื้องต้นก็ต้องเป็นส่วนหยาบต่อมาก็ค่อยเลื่อนฐานะขึ้นไปส่วนกลางส่วนละเอียดโดยความรู้อันเดียวเป็นผู้พิจารณาความรู้อันเดียวเป็นผู้ที่จะวิภาษวิจารณ์ในความแยกภายของตนเอง เป็นลําดับลําดับไปก็เลยกลายเป็นความรู้ความฉลาดอันยอดเยี่ยมขึ้นมาเป็นลํำดับจากดวงใจอันเดียว อ, องค์สมเด็จพระภูมิคุเขาภาคเจ้าพระองค์เจ้าซึ่งได้ทรงดําเนินมาก่อนก็ดําเนินเช่นนี้เหมือนกันเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกต้าลเราก็แห่งพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าได้ทรงดําเนินอย่างใดก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้เป็นศาสนาของโลก เป็นมาด้วยความทุกข์ความยากความลําบากเป็นมาด้วยความอดทนเป็นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรนี่ระดับมีอยู่ในบัตรนี้ในการในจิตของเราก็เป็นอริยสัจเช่นเดียวกันไม่มีความผิดแปลกกันแม้แต่น้อยปัญญาผู้ตีอย่างทราบในอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็เกิดจากใจดวงเดียวซึ่งเป็นภาชนะสํานับรับรองธรรมอยู่แล้วเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายกํากลังฟังเทศน์อยู่ในบัตรนี้ ยังไม่มีความผิดแปลกอะไรจากขัง้งพุทธการเป็นปัจจุบันนักการอยู่เสมอภายในจิตใจของบุคคลผู้ที่ตั้งไว้ด้วยดีแล้วในครองแห่งธรรมะคําสองสอนของพระรุจ้าและเป็นผู้สามารถที่จะรับรู้ในสัจธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเราโดยทางปัญญาได้เป็นลำดับลำดับไปเมื่อเรามีความสามารถแจก้าในทางปัญญาจนรอบคอบทั้งภายนอก เข้าไปสู่ภายในรอบคอบจนกระทั่งถึงกิจไม่มีอันใดเหลือคำว่ารอบคอบภายนอกนั้นหมายถึงรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสรอบคอบได้ด้วยรู้เท่าเอาทันปล่อยวางมาได้ด้วยและเข้ามาสู่ภายในกาเวทนาของตนก็รอบคอบคือรู้เท่ากายเพราะอํานาจแห่งการพิจารณากายนี้โดยทันใจรักษจนมีความชำนิชํนานาญสามารถปล่อยวางได้โดย ท, ที่เคยถือว่า กายของเรานี้เป็นเราเป็นของเราถอนจากความอุปทานความถือกายอันนี้เสียได้นี่เรียกว่ารอบเข้ามาอย่างนี้ปล่อยวางมาได้เป็นลาดับอย่างนี้นีส่วนเวทนาจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยเฉยก็ดีสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ดีสังขารความปรุงจะเป็นปรุงดีปรุงเชื่วปรุงอดีตอนาคตหรือปรุงกลางๆขนาดไหนก็ตามท่านก็ทราบชัดว่านี่ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งหนึ่ง วิญญาณความรับรู้ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเห็นชัดด้วยปัญญานี่ก็เรียกว่ารู้รอบเข้าไปต่อยวางเข้าไปได้เป็นลํำดับลำดับเช่นนี้ทีนี้ยังเหลืออะไรใครเล่าเป็นผู้ที่ว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีแล้วใครอีกเล่าที่มาหลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมายึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเล่านี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่ง ที่จะย่างซากเข้าไปถึงรากฐานแห่งวัตจักรคืออะไรคือความรู้อันนั้นเองความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องมีเรื่องเต็มอยู่กับความรู้ประเภทนี้เพราะฉนั้นความรู้ประเภทนี้ท่านจึงเรียกว่าความรู้ที่เป็นวัตจักรองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงวิภาควิจารณ์ในความรู้นี้โดยทางตราักษในส่วนธรรมที่ละเอียดที่สุดเรียกว่าอ น, นิจจังทุกขังอัตตาในความรู้อันนี้อย่างชัดเจนจนเห็นชัดว่าความรู้ น, นี้ก็เป็นตรายักษ เมื่อได้เห็นชัดแล้วความที่ถือมั่นยึดมั่นในความรู้อ น, นี้จะมีได้ที่ไหนเล่าเมื่อเห็นเป็นอสุรพิษแท้ยอมสนาดปัดทิ้งทันทีเมื่อสนาดปัดทิ้งด้วยปัญญาแล้วความรู้อ น, นี้ซึ่งเป็นความรู้ อ, อวิชชาก็ขาดกรเด็นออกไปจากใจเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ขาดเกรเด็นออกไปแล้วเรื่องทั้งหลายที่เต็มอยู่กับความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องนี้ก็ขาดกระเด็นไปพร้อมๆกัน เมื่อความรู้ที่เต็มไปได้วยเรื่องได้ขาดกระเด็นลงไปเรื่องทั้งหลายจึงหมดปัปจะเห็นก็าตามได้ยินก็าตามในสื่อกิ่นนิ้นวดอันใดก็าตามจึงเป็นสัก์แต่ว่ากิริยาไม่มีเรื่องอันใดที่จะมาสัมผัสจิตใจให้รับความสื่อซ้ำยึดมั่นถือมั่นเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นต่อไปอีกแล้วเพราะหยุดไดเพราะความรู้ที่เต็มไปได้วยเรื่องหมายถึงความรู้ที่เป็นชาววิชาเป็นผู้บงการได้หมดสิ้นไปแล้ว ความรูอนน้อันนี้ได้หมดสิ้นไปแล้วเรื่องทั้งหลายจึงไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านได้ตรัสรู้หรือทั้งในทำลายความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องนี้ขาดสิ้นไปจา ก, กจิตใจแล้วท่านจะทรงขันอยู่ก็าตามขันก็สักแต่ว่าขันรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องคัมผัสทั้งหลายก็สักแต่ว่าสิ่งนั้นๆรูปเวทนาสัญญาทังขารวิญ ญ, ญาณซึ่งเป็นของมีอยู่ประจำขันหานี้ ก็ซักแต่ว่าอาการนั้นๆเท่านั้นไม่มีเรื่องอันใดที่จะเกี่ยวข้องกับจิตของพระองค์เพราะเหตุใดเพราะจิตของพระองค์กลายเป็นจิตที่พ้นจากความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องแล้วเป็นจิตที่ไม่ใช่สมมูิแล้วจิตที่เป็นสมมูิหมายถึงจิตที่เต็มไปด้วยเรื่องหมายถึงอวิชชาความรู้ที่เต็มไปด้วยอวิชชานั้นจึงจัดก็เป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องอ เ, เรื่องจะโกรธก็ดีเรื่องจะโลภก็ดีเรื่อ ง, จ ะ, องจะหลงก็ดีขึ้นอยู่กับความรู้อันนี้ทั้งนั้น เมื่อความรู้อันนี้ได้ดับลงไปเรื่องที่จะโรคก็ดีจะโกรก็ดีจะหลงก็ดีจึงไม่มีอะไรอีกต่อไปเพราะรากเหง้ามันดับแล้วกิ่งก้านสาขาจะทนอยู่ได้อย่างไรแล้วก็ดับไปตามกันหมดนี่ปัญญาพิแจแกหนารู้เข้าไปถึงขนาดนั้นไม่มีอันใดเหลืออยู่แล้วคำที่ว่าจิตก็หมดสมมูิไปจะให้ชื่อให้นามก็ให้ชื่อศักแต่ว่า ไม่ได้มีความผูกพันหรือมั่นหมายในความรู้ประเภทนั้นหมดความสำคัญและไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรู้ประเภทนั้นอีกด้วยท่านจึงหมดเรื่องกิจยาบุตรทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนไม่มีเรื่องทั้งนั้นตื่นหรือหลับก็ไม่มีเรื่องเป็นผู้อยู่ด้วยความหมดเรื่อง เพราะเหตุใดเพราะอวิชชาซึ่งเป็นเจ้าเรื่องมันหมดไปแล้วขันห้าจึงเป็นเครื่องมือที่ใช่หรือว่าขันห้าเป็นเครื่องมือของนักปราศอย่างสมบูรณ์แต่ก่อนขันตั้งห้านี้เป็นเครื่องมือของมหาโจรคือของอวิชชาเมื่ออวิชชามันเป็นหัวหน้าแห่งโจรอยู่แล้วมันจะต้องบังคับขันตั้งห้ารูกายจะทาก็ต้องทาในเรื่องอนาจของกิเลสกันหา เวทนาที่ปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาสัญญาจำขึ้นมาก็จำขึ้นมาเป็นเรื่องกิเลสตัณหาทางนั้นสังขารก็ปรุงเรื่องกิเลสตัณหาทั้งหมดวิญญาณก็รับรู้ในเรื่องกิเลสตัณหาอสุวะทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเจ้าวิชามันเป็นตัวมหาโจรเป็นเจ้าเรื่องเจ้ากิเลสตัณหาลากเข้าแห่งกิเลสตัณหาอยู่ที่นั้นหมดทนี้พอวิชาได้ดับไปเท่านั้นเพราะอำนาจแห่งปัญญา ที่เขี่ยแปลสามารถตัดขา ด, ดกาัะุกกจาไม่มีในเหลือหรอแล้วขันตั้งห้านี้จึงกลายเป็นเครื่องมือของนกกาคาตหมายถึงเป็นเครื่องมือของวิชาวิมุตปัต<ฮ>แต่ก่อนอวิชาเป็นผู้ที่ครองขันห้านี้ไว้เป็นบริษัทบริวารหรือเป็นเครื่องมือของตนทีนี้พออวิชานี้ได้สิ้นสุดหรือดับลงไปแล้ว นักปราชที่ยอดเยี่ยมคือวิชามิมุตได้ผุดขึ้นมาที่นี่แล้วคั้นห้าก็เลยกลายเป็นบริษัทบริวารึเครื่องมือของวิชามิมุตอันนั้นไปเสียรียาของกายที่จะเคลื่อนไหวก็เป็นไปโดยธรรมเวตนาถึงจะความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในทางกายก็เป็นไปโดยธรรมไม่มีเรื่องสัญญาจาได้หมายรู้ก็จําไปโดยธรรม สังขารก็ปรุงไปโดยธรรมวิญญาณรับรู้ไปโดยธรรมเท่านั้นไม่ได้เป็นแบบที่เด็ดตัรหาอัตวะเหมือนอย่างแต่ก่อนมานี่องสาเด็จพระภูมิภาคท่านทำทรงทาปริวัติท่านทำอย่างนี้ท่องเที่ยวในมัตฏะสงสารพระพุทธเจ้าก็ท่องเที่ยวมานานไม่มีจบชินเที่ยวที่ไหนเกิดที่นั่นตายที่นั่นทุกที่นั่นเมื่อได้ ปริวัติกลับเข้ามาท่องเที่ยวในสกลกายในไตร ล, ลักษณ์ในสภาวะธรรมโดยเป็นหลักธรรมชาตินี่แล้วจึงได้ยกคงชัยขึ้นมาว่าพุทโธอย่างเป็นดัวแลื้วก็นำมาประกาศให้บรรดาเราทั้งหลายได้ถือเป็นสาระคือพุทธทังธรรมังสั้นขังสนังคัจฉามิยูนบัตี้เกิดขึ้นด้วยพระองค์เจ้าทรงปริวัติเข้ามาสู่ภายในเรียกพระโอปนอีโก ให้น้อมเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งแจ้งการข้ามโลกข้ามสงสารไม่ได้หมายข้ามที่ไหนโลกก็คือดวงใจที่เป็นอวิชานี้ทั้งดวงสงสารทั้งสาระความต้องเที่ยวก็ดีก็หมายถึงจิตดวงนี้วัตจักรก็หมายถึงตัวหมุนตัวความรู้ที่หมุนเต็มไปด้วยเรื่องนี้เองเป็นเหตุให้หมุนงมกเยนไปมา กรรมทั้งหลายจึงสืบต่อกันไปโดยลําดับเพราะธรรมชาตินี้ซึ่งเป็นตัวจักดัดจักใหญ่พาหมุนอยู่ตลอดเวลาเมื่อตัวจักใหญ่ได้ถูกทําลายลงไปแล้วจักเล็กจักน้อยก็ถูกทําลายไปตามๆกันพลอยถูกทําลายไปตามๆกันชิบหายผนปี้เช่นเดียวกับต้นไม้ที่เราได้ถอดถอนออกหมดทั้งล่าแม้กิ่งก้านสาขาจะมีมากม า, เายเท่าไรก็ตามก็เป็นเหตุที่จะต้องตายชิบหายผลปีป้ไมตามกันหมดนี่มีเรื่องอวิชาดับไปก็เป็นเช่นเดียวกันนั้น นเด็ดปัญหาประเภทใดๆดับไปหมดไม่มีอะไรเยล่วันนี้แสดงธรรมเทศนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในลักษณะแห่งธรรมป่าล้วนหากว่าไม่ถูกจริตจิตใจหรือขัดข้อขัดข้องในหลักธรรมเป็นบางส่วนบางประการก็ดี ก็หวังมากคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงขอยิติธรรมเทพนาเพียงเท่านี้เอวเดี๋ยเท่านี้ไม่ทราบว่ากี่นาทีหตั้งหนะลายร่มตั้งเปนหายรมงั้นเนละ <c oughs> เป้ามามาหนอยยุ่งยุ่งขึ้นมายุงขึ้นมายุ่ขึ้นมาอะไรก็มาลมใจหมดอะไรก็ลูหมดอะไรก็ลูหมดอะไรก็ลูลู่เข้ามาลูเข้ามาก็ยุ่งเข้ามายุ่งเข้ามาแล้วม็อกตกพัวลงไปที่ยุ่งแล้วมีแต่ยุ่งคนเดียวเท่านั้นนี่ก็เดียนเพ้อ กูมามาดู่ามันจะมีมากมีน้อยแล้วมันก็เต็งลงได้หมดเลยนี่นีก็ขึ้นนั่งเถืองอยู่เถิงแล้วแล้วไปถ้ามาันานักเลยม